มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสรารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศใน English Zone. อ l i ล h z o n นพร้อมให้บ ร, ริการทุกวันนาัคารเวลา1 2บสอนาิกาถึงนที่ชั้นสาสำนักวิทยาบ ร, ริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี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 อยู่กับเอนะคะรายงานตัวกันก่อนพานุมาตรหัตถบูลเรื่องราวของสารพันในห้องครัวค่ะในรายการกลเม็ดครัวไอเดียนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เช่นเคยเลย mm hmm. โดยรายการของเรานะคะสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีพร้อมด้วยเหล่าทีมงานวิทยุราชมงคล น, นะคะที่จะมาเอาบทเพลงเพราะๆนะคะพร้อมด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับห้องครัวมาฝากคุณผู้ฟังกัน แต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงพร้อพาะจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงแรกของรายการกันในช่วงของกลเม็ดลุยเข้าครัวนั่นเองค่ะสุดทอฟ้าหรือตายทะราหมื่นคู่ฟ้าร้ อ, ารอยพันดาราดับลงมืดมนทิงใดเราสองต้องมาเจอ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 แรกเจออยากเขียนชิดคู่ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไปเหตุใดภาพเธอยังปรุงอยู่ในหัวใจเหตุใดหรือจะเป็นดั่งพรหมจัดวางเล็กคอย ส, สร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรหมคีดไว้เสมอให้เราเจอกัน คือเป็นคมผูกใจเราสองแม้ไกลเท่าใดต้องมาพบกันไล่หนนจึงทำให้ฉัน เคียงกันจะพบชาติได้ไหมมีวันแปลกล่ายปูกใจพันขั้วใจเคียงกันไม่ว่าด้วยเหตุอันใดไม่ว่าจะมีใัยอันตรายอันใดย่ำไกลเธอทุรนทุรายกวนกวาดจนมองหากันไม่เจอขอเพียงเธอเชื่อใจฉันมื่นั้นเธอจะได้รู้ คล้ายจะกี่พบ ก, กี่บันปลายแต่ที่ไม่กล้าไปจางหาจบจนฟ้าดินสลายฉันรักเธอ แม้คุณจะดุเมืนกับบีบบูแต่ดั่นน่ารักเมืนกับชิสุถ้าเป็นหนังสือคุณต้องพลิกดูตอนจบสเราจะชีวิตคู่หาบคุณไม่เชื่อคุณต้องพิสูจดูการกระทำผมละติถูกวัดหลาตีจุดลองตีจุดจนกว่าสองเราจะได้เคียงอยู่ดูเหมือนมันโลกกลมจะวามันเอิญก็การไปคุมท่ากันเดินไกลก็เพราะมันทำให้ฉันเพลินใจอุปสรรคแต่กวากน้ำที่เข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักเธอ พร้อมจัดวางและคอยสรงสร้างให้เราได้เจอหรือว่าพร้อมคิดไว้สเสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพร้อมผูกใจเราสองแบกไกลเท่าไรต้องมาพบกันหลายเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบเธอสุดขอฟ้าหรือต้ทารา หมืน่นภูผาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพีิงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบษาได้ไมมมีวันกลายกายผูกใจพันหัวใจเคียงกันโอสุ ข, ขอบฟาหรือใต้ธะราหมืน่นภูผาร้อย ดาราดับลงเม็ดม่นเพียงใด้เรา้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอ สู่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงนี้กลโลเมนตนลุยเข้าครัวนะคะวันนี้เอมี่สูตรของเมนูอาหารชนิดหนึ่งค่ะที่นำมาฝากกันทำได้เองอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารดังๆเลยละค่ะ แกงส้มนะี่ะรสชาติที่เข้มขน้นความเผ็ดจากเครื่องแกงแล้วก็ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกแล้วก็หน่อไม้ดองจึงเป็นที่มาของความแซ่บเมนูนี้ค่ะเมนูแกงส้มนะคะและเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปในแกงส้มไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าของทะเลอยู่แล้วที่เห็นกันบ่อยๆนะคะก็ต้องมีใส่กุ้งนะเป็นกุ้งสดตัวใหญ่ๆนะแต่ถ้าฟังดูแล้วอาจจะธรรมดาเกินไปค่ะถ้าอยากให้แกงส้มชามนี้เนี่ยอร่อยเผ็ดนะต้อง ถึงใจนะคะต้องเป็นปูไข่เท่านั้นเนื้อปูและไข่ปูนะคะเมื่อมาอยู่ในแกงส้มเนี่ยความอร่อยหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะโดยเราจะมาฟังขั้นตอนแล้วก็วิธีทำดังต่อไปนี้กันค่ะส่วนประกอบของเมนูนี้นะคะก็จะมีหน่อไม้ดองหัน่นชิ้นพอดีคำ250กรัมค่ะมีปูไข่นะคะน้ำมะขามเปียก4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ คานอซุปหมูหรือว่าไก่ก้อนนะคะ1ก้อนน้าเปล่า2ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องน้ําพริกแกงส้มใต้หอมแดงปอกเปลือกหัน่นหยาบหยาบสองช้อนโต๊ะกระเทียมปอกเปลือกหัน่นหยาบๆยบหนึ่งช้อนโต๊ะพริกขี้หนูแดงซอยหยาบ1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูเขียวซอยหยาบ1ช้อนโต๊ะขมิ้นปอกเปลือกหั่นแว่นนะคะ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชากะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะ วิธีการทำนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องนาปูไข่มาล้างทาความสะอาดแล้วก็แกะกระดองนะคะปูหนึ่งตัวค่ะอออเป็นสี่ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาให้โขลกเครื่องแกงนะคะให้ละเอียดแล้วก็พักไว้นำน้ำําใส่หม้อตั้งไฟค่ะพอเดือดนะคะก็ให้ใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้แล้วก็ใส่ซุปก้อนนยคะคนให้ละลายพอเดือดใส่ปูที่เตรียมไว้นะคะจน ใส่เข้าไปต้มจนสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำปลาสุดท้ายนะคะให้ใส่หน่อไม้ที่เตรียมไว้ต้มต่อสักครู่หนึ่งจนสุก แล้วก็น้ำแกงนะคะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปิดไฟล์ค่ะใส่มะนาวคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานด้วยค่ะขอบคุณที่มาด้วยนะคะจาก Food Director เป็นเมนูที่น่าทานมากๆเลยสำหรับแกงส้มปูไขน่นมไม้ดองนะเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเลยทีเดียวนะคะแกงส้มนมีความเปรี้ยวอยู่แล้วพอได้มีความเคียงคู่กับอาหารทะเลนะคะอย่างปูไข่เนี่ยรับรองว่า เด็ดแน่นอนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็มีสูตรเมนูอาหารหลายๆสูตรเลยนะที่นำมาฝากกันทุกสัปดาห์นะคะ หากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีเคล็ดลับนะหรือว่าสูตรเมนูไหนเด็ดๆนะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยนำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้รับฟังหรือว่านำไปทำนะคะก็เอามาเผยแพร่กันเนี่ยหละนะคะจะได้มีความอร่อยไว้คู่ครัวครูบ้านกันก็นำมาฝากไว้ได้นะคะที่แฟนเพจวิทยุราชมงคลธัญบุรีของเราค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามกันในเรื่องราวของกลเมตรเกล็ดเสริมครัววันนี้เอมีไอเดียสุดชิคค่ะตกแต่งห้องครัวให้เอาอยู่ค่ะค่ะ คนที่ไม่มีใ c รค อาจเป็นสายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักที่วันไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่เธอเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่ ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองให้นาน เดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่า น, นี้ในทุกที่ที่เคยไป j u s been. ช่วงที่2นะคะยังอยู่ในรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะกับช่วงนี้แล้วกลเม็ดเกรดเสริมครัวนะคะเราจะมาตกแต่งห้องครัวกันนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบไหนนะลองปรับใช้แล้วก็ประยุกตัดแปลงนั่นแดัดแปลงนี่นะคะอาจจะได้เป็นห้องครัวในสไตล์ของคุณที่มีความสุขสำหรับการทำอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารมากขึ้นก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะเอเสนอไอเดียเด็ดสุดชิคค่ะตกแต่งห้องครัวให้เอาอยู่นะคะโดยคิดเช่น d e c o อ i อเดียการกระตุ้นรสชาติในการรับประทานอาหารให้แก่ทุกคนภายในครอบครัวนะคะด้วยการตกแต่งห้องครัวที่เคยรกและเก่าให้เอาอยู่เนี่ยจะมีวิธีอย่างไรบ้างนั้นนะวันนี้เรามาแนะนำกัน ห้องครัวนะคะสะอาดสะอ้านใครก็อยากเข้าไปสัมผัสทำอาหารกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าจะทํายังไงได้ละ่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะมองไปก็เจอแต่ห้องครัวแสนรกนะคะก็เลยอยากจะชวนค่ะคุณผู้ฟังมารีเฟซนะคะห้องครัวให้สวยปิ๊งเพิ่มประสิทธิภาพในการทําอาหารโดยไม่ต้องสร้างใหม่ด้วยแนวคิดการตกแต่งห้องครัวง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังการจัดสวนในครัวเพิ่มสีเขียวง่ายค่ะสร้างความมีชีวิตชีวานะคะคืนความสดใสให้ห้องครัวโดยพืชกระถางเล็กๆไม่กี่ชนิดอาจจะเป็นพืชสมุนไพรหรือว่ากระถางต้นไม้ขนาดเล็ก รวมไปถึงแจากกาันวางดอกไม้สวยๆก็ได้นะคะนำมาวางไว้บนภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมที่จะยกไปไหนมาไหนรับแดดก็ได้นะหรือว่าพักเข้ามาในร่มก็ได้ห้องครัวที่เคยดูจืดชืดนะคะก็จะสวยน่าใช้งานกว่าใครแล้วลวะคะ่ะต่อมานะคะทำชั้นวางหนังสือ โลกของตรงนั้นออกไปให้หมดเลยค่ะทำเป็นที่รวบรวมคอลเลกชันหนังสือกันดีกว่านะคะเพื่อการปรุงอาหารครั้งหน้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหยิบตำรามาดูเพียงแค่ก้มหรือว่าขยับตัวนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถหยิบหนังสือมาอ่านได้แล้ว แต่ต้องให้แน่ใจด้วยนะคะว่าอยู่ห่างจากเตาร้อนและอ่างน้ำไม่อย่างนั้นค่ะหนังสือที่เป็นที่รักของคุณเนี่ยอาจจะเปียกได้หรือว่าเลือกทำไว้บริเวณมุมรับประทานอาหารก็ได้นะคะเมื่อมุมนี้เนี่ยว่างจากการใช้งานก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับการนั่งทานอาหารได้หรือไม่ก็นั่งทำงานได้เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะให้เชื่อมทุกพื้นที่รวมพื้นที่ที่ติดอยู่กับห้องครัวเนี่ยโดยใช้สีเป็นตัวเชื่อมอาจจะตกแต่งสีด้วยเฉดเดียวกันนะคะแล้วก็เลือกหยิบความแมตต์ระหว่างเคาน์เตอร์ภายในห้องครัวค่ะแล้วก็เตียงนอนมาเติมความเก๋ด้วยกระเบื้องสีขาวนะคะให้เข้ากันกับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องนั่งเล่นนะหรือว่าห้องครัวเนี่ยแล้วก็ห้อง นอนก็ได้เช่นกันเสริมสร้างให้ห้องครัวของคุณคะ่ะที่มีขนาดกระทัดรัดเนี่ยดูสวยเด่นขึ้นมาได้คะ่ะ ต่อมานะคะหากจะเสริมสวยด้วยม่านหากห้องครัวของบ้านไหนนะคะที่มีบานตู้เก่าเกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วปิดมันไว้ด้วยผ้าม่านเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดที่สุดค่ะติดตั้งราวนะคะไว้บริเวณตู้ที่สําคัญควรเลือกสีบ้านที่มีลักษณะไปในทางเดียวกันกับห้องเพื่อการตกแต่งห้องครัวจะได้ดูสวยงามกลมกลืนค่ะเราก็อย่าลืมนะคะระมัดระวังในเรื่องของเตาเพราะว่าผ้านั้นติดไฟง่ายค่ะ สุดท้ายนะคะอบอุ่นผ่อนคลายประดับด้วยหมอนอิงการสร้างบรรยากาศสบายๆให้กับมื้ออาหารเช้าของคุณนะคะหรือว่ามื้ออาหารไหนๆก็ได้ด้วยหมอนอิงลดลายน่ารักน่ารักค่ะเบาะนะคะแล้วก็เพิ่มโต๊ะตัวเล็กๆ เ, เข้าไปแค่นี้เนี่ยก็ได้ที่นั่งใหม่ใกล้ห้องครัวไว้สําหรับนั่งรับประทานอาหารหากว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ง่ายๆค่ะแค่ยกโต๊ะออกนะคะแล้วก็นําเบาะออกเพียงเท่านี้ก็ได้ที่วางอนเนกประสงค์วางอะไรก็ได้แล้วล่ะค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แต่สำหรับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เอมี่เรื่องราวมาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นเคล็ดลับในการทำความสะอาดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเด็ดจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของกลเม็ดเกล็ดท้ายครัวคะ่ะ ดูมีมีน้ําถ้าที่ที่เปลี่นไปทําไมไม่เข้าใจเลยแต่ชังชอบเธอแบบนี้ทุกเวลาดูดีกว่าที่ผ่านมาถึงเธอจะแตกต่างเท่าไหร่ถูกใจกว่าเดิม Printer นนวังมองจริงๆงนี่มันผู้หญิงยิ ง, ยงเรือหรือ้าพที่พับไว้เป็นคุณสตรีที่ทปล้อมตัวมาหรือเป็น CIA สายลับ มีโครโมโซมหรือกรรมพันธุ์ที่มันได้ทำให้เธอนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนใครดูพาเราพากก็คุณนายสมบัติจำาพาะจอกจงยิงเห็นย่งโดนใจเธอเหมือนเดิมท่าทีที่เปลี่ยนไปทำไมไม่เข้าใจเลยแต่ฉันชอบเธอแบบนี้ทุกเวลา เธอจะอยู่จะมาจากไหนฉันจะรักเธอฉันจะรักเธอไม่ว่าเธอคน น, คออนีจะเป็นใครเธอจะมาจะพอ r หรือที่ใดจะเป็นใครมีสำคัญเพราะฉันมีแค่ดี่เหตุผลแล้วแต่ขอแค่ให้ฉันดีมีเธอ ไ ม, ไ, ไม่ว่าเธอจะอยู่จะมาจากไหนฉันจะรักเธอฉันจะรักเธอไม่ว่าเธอคนนีจะเป็นใครธอดูไม่เมืเดิมท่าทีที่เปลี่นไปทำไมไม่เข้าใจเลยแต่ฉันชอบเธอแบบนี้ทุกเวลาดูดีกว่าที่ผ่านมาถึงเธอเจะแตกต่างเท่าไหร่ถูกใจกว่าเดิ เธอได้รู้ไม่ว่าเธอจะอยู่จะมาจากไหนฉันจะรักเธอฉันจะรักเธอไม่ว่าเธอคนไหน ค, คนเดิมไม่เป็นอย่างที่ผ่านมนาะถึงเธอจะแตกต่างเท่าไรถูกใจกวเดิมถึงเธอจะแตกต่างเท่าไร เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วค่ะกับช่วงนี้กลเม็ดเกร็ดท้ายครัวนะคะสาระน่ารู้ในวันนี้ที่เอนามาฝากการเกี่ยวกับการทําความสะอาดห้องครัวนั้นนะคะมีหลายอย่างกันเลยทีเดียวอย่างแรกเลยนะคะการกําจัดคราบหินปูนอย่างง่ายๆด้วยของใช้ในห้องครัวค่ะ คราบหินปูนนะคะที่ติดฝังแน่นอยู่กับก๊อกน้ำนํำมอต้มน้ํากาแฟแล้วก็วัสดุอื่นๆภายในบ้านเนี่ยเกิดจากสารแคลเซียมคาร์บอเนตที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิวของวัสดุเหล่านั้นนะคะแบบฝังแน่นแล้วก็แม่บ้านส่วนใหญ่ค่ะก็ลงความเห็นกันว่าคราบหินปูนที่ช่วยลดความวาวใสให้กับวัสดุต่างๆเป็นคราบสุดหินที่กําจัดได้ยากมากถึงขนาดใช้น้ํายาทําความสะอาดแรงๆนะคะก็เอาไม่อยู่แต่อย่าเพิ่งจนปัญญากันเลย ะะเพราะถ้าหากอยากกาจัดคราบหินปูนสุดหินแบบง่ายๆก็ทำได้ค่ะโดยเครื่องมือกาจัดคราบหินปูนฝังแน่นที่มีอยู่ในห้องครัวของเรานี่เองอย่างน้ำส้มสายชูนะคะชนะขาดลอยแน่นอนน้ำยาทำความสะอาดค่ะที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงนะคะเอาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนมาใช้ผ้าชุบน้าส้มสายชูนะคะชุ่มๆเลย หุ้มกอกน้ําที่มีคลาบหินปูนเกาะนะคะจนเกิดกลังไปหมดให้รอบๆแล้วก็เทน้ําส้มสายชูใส่ลงไปบนผ้าย้ําอีกทีเพื่อความเข้มข้นพันทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะสอมชั่วโมงหรือทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะแต่อย่าลืมหมั่นเทน้ําส้มสายชูบ่อยๆเพื่อป้องกันผ้าแห้งด้วยนะคะเมื่อครบระยะเวลาแล้วก็แกะผ้าออกเราใช้แปรงสีฟันอันเก่าค่ะขัดกอกน้ําอีกรอบหนึ่งแค่นี้ก็จะสังเกตได้ว่า คล้บหินปูนที่เคยเกาะติดหนึบนะคะจะหลุดล่อนแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยละค่ะต่อมานะคะการมัดถุงสยบคลาบหินปูนที่ปากก๊อกน้ำค่ะ นอกจากบริวเวณรอ mm. บๆก๊อกน้ําแล้วนะคะเจ้าคลาบหินปูนแสนเกะ็ดกลังเนี่ยยังลามามไปถึงปากก๊อกน้ําขัดขวางใส่น้ําจนไหลออกมาไม่สะดวกซึ่งเราก็ต้องจัดการด้วยน้ําส้มสายชูอีกเช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าเทน้ําส้มสายชูลงในถุงพลาสติกนะคะให้เยอะพอประมาณจากนั้นนะคะก็นําถุงไปมัดติดกับก๊อกน้ําเพื่อให้ส่วนปลายของก๊อกน้ําจุ่มลงในน้ําส้มสายชูที่เราเทไว้ในถุงค่ะ มัดปากให้แน่นนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงหรือข้ามคืนตามระเบียบค่ะพอรุ่งเช้านะคะก็ค่อยแกะมัดถุงออกแล้วก็ใช้แปรงสีฟันอันเก่านะคะขัดปากกรอกน้ําอีกครั้งหนึ่งส่วนคราบหินปูนที่เกาะ อ, อยู่ตามฝาท่อก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ําส้มสายชูไปโปะแช่ไว้ได้เหมือนกันค่ะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะค่อยใช้แปรงลวดที่เป็นทองแดงขัดจนสะอาดเกลี้ยงได้ผลชะงักเลยละค่ะ ต่อมานะคะเราจะไปจัดการคราบอุดตันในฝักบัวกันฝักบัวที่น้ําไหลได้ไม่เต็มที่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีคราบหินปูนอุดตันอยู่ในนั้นก็เป็นได้แนะนําให้คุณผู้ฟังค่ะเทน้าส้มสายชูกับน้ําร้อนจัดในปริมาณที่เท่ากันใส่ลงไปในถุงนะคะเราก็นําถุงนั้นไปมัดติดกับฝักบัวเพื่อให้ฝักบัวนะคะจุ่มลงไปในน้ําที่ผสมไว้จนมิดจากนั้นนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้สักสามชั่วโมงก่อนจะล้างแล้วก็ขัดฝักบัวอีกครั้งจนสะอาดเอี่ยมค่ะ สุดท้ายนะคะการขจัดคราบหินปูนในหม้อต้มกาแฟหม้อต้มกาแฟชานะคะหรือแม้แต่แก้วกาแฟเองที่มีคราบหินปูนเนี่ยติดอยู่เป็นประจำ เหมือนเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะกําจัดคราบหินปูนในหม้อต้มกาแฟาให้หมดจดก็สามารถใช้น้าส้มสายชูตัวเอกของเราค่ะจัดการได้เช่นกันเริ่มด้วยการล้างหม้อต้มกาแฟานะคะให้สะอาดแล้วก็เติมน้าส้มสายชูลงไปสักครึ่งหม้อตามด้วยน้าสะอาดอีกครึ่งหม้อค่ะจากนั้นนะคะก็เปิดเดินเครื่องต้มกาแฟาตามปกติเมื่อต้มน้ําจนเดือดแล้วนะคะก็เทน้ําส้มสายชูทิ้ง เสร็จแล้วค่ะก็ต้มน้ำส้มสายชูกับน้ำใหม่อีกรอบหนึ่งคราวนี้นคพอน้ำเดือดก็เททิ้งค่ะจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดหม้อด้วยน้ำสบู่ต้มนะคะจนเดือดอีกครั้งหนึ่งถึงขั้นตอนนี้ก็คราบหินปูนค่ะที่ติดฝังแน่นเนี่ย ก็จะหลุดล่อนออกมาเช็ดได้ง่ายได้นะคะแต่ก่อนจะนำหม้อไปต้มชาหรือกาแฟนั้นนะคะให้นำไปต้มน้ำสะอาดจนเดือดสักสองรอบก่อนเพื่อล้างน้ำส้มสายชูและคราบสบู่ที่หลงเหลืออยู่ให้หมดไปด้วยค่ะขอบคุณที่มาด้วยนะคะจากกระปุกดัดคำนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการกลรเม็ดครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าเรื่องราวของสารพันในห้องครัวค่ะที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยนะคะวันนี้เอและรายการกลรเม็ดครัวไอเดียพร้อมด้วยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ